มันไม่เหมือนการศึกษาของทางโลกทางโลกก็มีศาสตร์มีสูตรสาเร็จจะต้องเรียนตามสูตรสาเร็จอ่าใครเรียนจบก็จำเอาจำได้เก่งไปทำว่ามีผู้ตรวจมีการผิดการถูกมีบุคคลอื่นเข้าไปเจ้ข้องผิดถูกบางทีอาจจะไม่เป็นธรรมคนทำดี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 โู้เขาศีลท่งทึบไม่สะเทือนเพราะลมโู้มีศีลไม่สะเทือนเพราะเนินธาสลเสริญโอ้ในศีลเป็นในนอนี่เลศีลหาได้ในตัวชีวิตเราบางทีถ้าไม่มีศีลก็วันไว้นะงินไว้ง อ, นนอแคก็แขนเหมือนเสาหลักปลักขี้โคลน เ, นเป็นสมาธิมั่นคงในกิตใจ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 เป็นพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของชีวิตจิตใจของเรา้าไม่จบสตรนี่อันอื่นก็ถือว่าไปจบคนที่เรียนจบทงงูงๆยังมีทุกยังมีปัญหาในกายในใจของตนเป็นทุกข์ขัใจของตนเป็นทุกข์ขวัญกายของตนเป็นทุกข์ขวักายของตนเรายังไม่พ อ, อยังเป็นทุกข์คนอื่นีิเป็นทุกข์ที่ใจของตนแลวยังไม่พอ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 เขาก็ยังดีเขาเขาเขาโกรธแล้วโกรดีเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาดีไปเอาไปมาเขาก็กลายเป็นคนดีอย่างสามีพันยาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาพอพันยามาปฏิบัติธรรมนะมาจากอำเภอแวงใหญ่คำว่ า, าพูดให้หลวงพอ่อฟังโ อ, งอ้ได้ผลหลวงพ่อได้ผลโอ้พรรยามาผู้เมียมาปฏิบัติธรรมใจดีก็ไปบ้านใจเย็นก็ไปบ้านเอาไปมานีะ่ะ อามีเขาเห็นพัญญาต่างเอาโกรธที่ไรเขาไม่โกรธตอบเขาไม่โกรธตอบว่าอะไรเขาไม่โกรธตอบนิ่งเยิ่มดีสม่ำเสมเออ<ส>มีเป็นคนสุบุตรเป็นคนชี่ยวลืกแม้กระทั่งบุตรเลิกกินเหล้ากลายเป็นคนดีด้วยกันมาพร้อมกันพรยามาพร้อมกันกับสามีมาสารภาพได้ผลหลวงพ่อได้ผลเขาก็พออกคอใจ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 ปกติเข้าบ้านเข้าบ้านลูกสิบตัวเนะี่ยเป็บ้านหลงเวลาอะไรก็พัดบ้านโกรธว่าอะไรก็พัดบ้านนะเข้าบ้านอันนี้นะเรียกว่าหลักเรียกว่าที่พึ่งเราจึงว่าพุทธัทงแสดงคาฉาไหมธรรมังแสดงคาฉาไหมสังขังสแสังคาฉาไหมข้าพเจ้าพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมสงังฆ้าพเจ้าจงพ้นจากทุกทุงปลงได้พุทธภาวะความเป็นพุทธะ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 อุปการละมากเหมือนกับพ่อกับแม่เป็ น, นคณธรรมคณธรรมเน่ความรู้สึกตัวเหมือนพ่อเหมือนแม่อุปการละคุณพ่อแม่เลยก็ไม่มีแล้วหังอย่างหลวงตานะไม่มีพ่อแล้วไม่มีแม่แล้วยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่คอออือยู่กับเราตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกับรักษาเรา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 เพียงแต่เรามือมาวางไว้บนเขา่าพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัววางมือลงรู้สึกตัวอเวลาใดที่มันง่วงเนื้อหอนอนก็ทำผมรู้สึกตัวห<ไ>ลงไปลึกๆมองใบหน้าวางใบหน้าให้สดชื่นพอดสายตาในท้องฟ้าไม่มีขอบเขตมองโลกกว้างไกล ย, ย่าคับแคบห่อเหี่ยว ม อ, องโลกมองงงตั <Doo> ้งหน้าบางใบหน้าตั้งกายยืดกายขึ้นองค์อาจหน้าอกต้นคอใบหน้าเอวลู่สึกตัวลูกองคอาจมาลู่สุดตัวเนี่ยฝึกฝึกฝึกผลตนเองอ่ะก็พวกเราก็ไม่ใช่บอกแต่ปากก็พากันทําพากันทํำอาจารย์สงเส้นอาจารย์พประเทพอาจารย์ต้มอาจารย์นอนเพื่อนทำงานทุกปฏิบัติกันทำงานที่ไหน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 ชาติไม่เป็นรัฐที่ในการตอนมีสติเป็นอันเดียวกันเลยเป็นอันเดียวกันเลยเดยไปสอนอหลังเคยไปสอนต่างประเทศไปสอนก็เพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์ก็ไปสอนสิงคโปร์มีคนจีนมีคนแฉกขนยกมือรู้สึกตัวคุคลจะเป็นรัฐที่อะไรก็ไม่เกี่ยวเมื่อเวลานานมานี่มีเขามาทอดพระบาผู้หลงขอให้หลวงพ่อประเทศที่ผู้หลง